เจ้าทรงศึกษามาอีกขแขนงหนึ่งขแขนงนี้เป็นที่ยอมรับของพระอริยะแต่นั้นโลคิยะไม่เป็นที่ยอมรับของพระอริยะแต่เป็นที่ยอมรับของโลคิยะด้วยกันพวกกลุ่มโลคิยะแล้วยอมรับว่าคนคนนั้นบุคคลคนนั้นเป็นผู้เฉลียวฉลาดเป็นผู้มีความสามารถที่จะ ส, ะสะแสวงหาทรัพย์ได้อันนี้เปรียว่า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 จากวัดวารศาสนาครูบาอาจารย์อีกบางครั้งจงดุดาว่ากล่าวกันอีกมันไม่รู้จักประมาณในการกระทานั้นๆะแต่ท่านครูบาอาจารย์ท่านทำเนะ่ยท่านไม่ได้ไปขอครูบาอาจารย์ของท่านนะท่านทําตามมีตามเกิดะมีอะไรขึ้นมาก็ทําอำแต่ตัวเองออกไปแล้วการกระทาออกไปนั่นแหะถึงโดดหน้าโดดหลังแต่สำหรับอยู่กับครูบาอาจารย์ทาท่า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 ในการดูพระขององค์หลวงตาเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะลูกหลานเหลนขององค์หลวงตาพวกเราก็ควรจะมองนะมองแนวปฏิปทาของหลวงตาถึงจะมีมากก็ให้อยู่ในกรอบหลักพระธรรมวินยัยถึงจะมีน้อยก็ไม่ดวงพ่อพูดจนน้ําไหลไฟดับไฟดับเปิ่งเลยรับพรในทันใดนะ